ข้อสี่ข้อสี่การคิดแบบแก้ปัญหาคิดแบบแก้ปัญหาคือการคิดตามแนวอริยสัจนะครับคิดตามแนวอริยสัจ <c oughs> ความทุกข์นี่เป็นปัญหาทุกคนทุกคนก็มีปัญหาสำคัญอยู่ <c oughs> อันนี้คือความทุกข์ทีนี้ ความทุกข์เราจะดับทุกข์กันที่ไหนถ้าสร้งปัญหาขึ้นมาว่าเราจะดับทุกข์กันที่ไหนครับวามทุกข์นี้เป็นปัญหาสําคัญพระพุทธเจ้าท่านจัดฐาทุคคามสัมพปยังความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนี่จะดับกันที่ไหนคําตอบก็คือดับที่เหตุของมันค เหตุเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นนั่นก็สาวไปถึงสมุทัยใช่ไหมฮะครัทุกข์ัดสมุทยัยเหตุเกิดของทุกข์แก้ปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาเออความทุกข์มีการดับทุกข์ก็ต้องมีคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะมีมากมายอย่างไร ก็คงย่อลงเหลือสองอย่างเท่านั้นนะครับคือความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจทุกกายกับทุกใจครับนึงเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะครัะ <Yeah. S 1> ทุกทางกายกับความทุกทางใจนอกนั้นก็เป็นที่มันมากมายหลายหลากนั่นเป็นวัตถุแห่งความทุกข์วัตถุแห่งความทุกข์หรือที่ตั้งแห่งความทุกข์หรือที่มาแห่งความทุกข์ แต่มันก็คงจะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเกิไม่ไม่ทุกกายก็ทุกใจไทุกกายก็ทุกใจสมมติอย่าสมบัติเนี่ยนะฮะครับสมบัตินี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อ่าครับสําหรับบางคนสําหรับบางคนสําหรับบางคนบางค น, บางคนมีรถขัมิดเป็นทุกข์เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วปรากฏว่าโอ้วันวันเนี่ยก็ต้องวนเวียนอยู่กับรถอหละ ก็ยังไม่อยู่ยังใม่อยู่พอเก่าเท่าก็ไม่อยากจะดูแล้วถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์สำหรับผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่แต่ถ้าไม่มีอุปาทานมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างยกถาบรรดาศักนี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันใช่ครับอย่างไรครับอันเอกอันเอกนี่ย ถือว่าในพนย่างไงครับถือว่าเป็นที่ตั้งความทุกข์เป็นเงินนะสำหรับผู้ที่ยังมีอุปท า, านครับมีอุปท า, านพระพุทธเจ้าท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ เ, เกี่ยวกับเรื่องยศอาจารย์พูดถึงเรื่องยศตะกี้นี้ครับพระพุทธเจ้าท่านมีพระไถยปรารถนาว่าขอยศจงอย่ามาเกี่ยวข้องกับเราแลขอเราอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับยศ แต่เรื่องแต่เรื่องของโลกนั่นก็ธรรมดานะครับจรทนครับเรื่องธรรมดาแต่สําหรับพระองค์ท่านเองมีความปรารถนาว่าขอยศจะได้มาเกี่ยวข้องกับเราขอเราอยากได้ไปเกี่ยวข้องกับจดจ <c oughs> ัดกับพนาคิดะนะครับนาคิดะที่เป็นอนุปถามท่านอยู่ก็มีผู้ที่มาเฝ้าแล้วก็เอาของมาถวายเยอะ มาอยู่ไปชุมกันอยู่ที่หน้าวัดก็อเออะโวยก็วายจัดนั่นจากนี่อะไรมากมายท่านก็ถามว่าอะไรกันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเจียวเจ้าเลยพระนาริตะก็กลับทูลว่าเนี่ยเขาาเ้ามาเอาของมาถะไหวพระผู้มีประภาคมามาสักการะเลยท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ขอขอยศอย่างนี้อย่ามาเกี่ยวข้องกับเราขอเราจะได้ไปเกี่ยวข้องกับโต์ไอย่างนี้ถือว่ายศเป็นยังไงนะฮะะเป็นบริวาระะบริวารเลยศบริวารเลยศบริวารเลยศทีนีข <า S 2> ้ข้าขญาตเรียนในเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็คืออย่างกับตำแหน่งเอตัคะของพระในที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าองค์นี้เอตัคะอย่างนี้จะอย่างนี้ถือว่าเป็นอยศหรือเปล่าเออคืมองไม่ชัดอนะครับแทนกับ มองไม่ชัดเธอไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นไม่น่าจะเป็นแต่ถ่าเป็นเกียรติยศเนี่ยเหมือนเหมือนก็เป็นเป็นตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญครับแต่ละแต่ละแต่ละด้านของของแต่ละบุคคลครับยกจ้องในความสามารถครับในความสามารถค่ะไม่ไม่ถือว่าเป็นยศจังยกจ้องในความสามารถ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นใหญ่อะไรนะฮะไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้มีบริวารไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าจะถือเป็นยศอย่างหนึ่งก็คือเกียรติยศครับเกียรติยศครับเกียรติยศนะครับแล้วก็หน้าคิดอยู่นะจ๊ะนักครับผมน่าคิดอยู่ถ้าจะถือว่าเป็นยศก็เป็นเกียรติยศได้รับการยกย่องก็ได้รับเกียรติอนะครับได้รับเกียรติได้รับความนิยมนับถือมันมีเกียรติยศ บริวารยศแล้วก็อิสริยยศอิตริยยศครับครับนี่ก็อขอทามอีกทีนะครับคือว่าความทุกข์จะมีวัตถุหรือที่ตั้งแห่งความทุกข์มากมายแต่ว่าโดยสรุปก็มีสองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจครับมันจะเกิดมาจากไหนก็ครับมันก็สองอย่างเนี่ยคือทําให้กระทบกายก็ามาก ร, นะกระทบใจกระทบใจแก่เจ็บตายนี่นะฮะ บางทีก็ทั้งกายทั้งใจแล้วแต่ว่าใจจะไปรับมันไว้แช่ไหนหรือว่าทุกจากการทำมากินไม่พอความยากจนก็ก็เป็นทุกข์ทางกายแล้วทำให้เป็นทุกข์ทางใจด้วยทะเลาะวิวาทกันถูกกิเลสเผาที่เรียกสันตาปทุกข์นะครับมันก็มีเยอะครับความทุกข์ปัญหารวมว่าเป็นปัญหา เป็นปัญหาส่วนบุคคลเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาประเทศชาตินี่ก็เออก็ก็ต้องแก้กันไปเป็นปลอปลอคนเก่งก็คือคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะแต่ทุกคนต้องเผชิญปัญหาทั้งนั้นถ้าเป็นคนเก่งก็ต้องเผชิญปัญหาหรือแก้ปัญหาได้เป็นปลอปลอหรือบางคนเนี่ยมันแก้ไม่ได้ แก <ourd. S 2> ไม่ได้ทนอยู่กับปัญหานั้จนกระทั่งตายอันนี้ก็คงจะขาดปัญญานะฮะครับข า, ญญาออย่างนี้ญญถือว่าแก้ปัญหาได้ไหมคือว่าอมันเกิดก็เกิดไปแต่ปัญหามก็เกิดอยู่แต่ว่าก็ทนต่อไปก็เป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งครับอจานะครับา ก, การที่ว่ามันเกิดก็เกิดไปฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่สนใจมนันเนี่ะมันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งเหมือนกัน แปลว่าแก้โดยวิธีไม่แก้ครับเยอะแต่แก้โดยไม่แก้ล่อยเขาอยู่กับปัญหาเลยล่อยปัญหามันแก้ตัวเองไปอ่าใช่ครับัตวเอปล่อยให้การเวลามันคลี่คลายใจเรื่องที่เพลงเราก็ให้เวลามันแก้ปัญหาใจเลยับก็มีอการวิธีตอบปัญหาของหรวพ่อทีเจ้าอยู่วิธีหนึ่งเรียกว่าตอบโดยไม่ตอบ ครับตอบได้ไหมตอบเรียก ว, ว, ว่าถับปัญพายากรณ<แ>์ถับปัญหพายากรณอันที่นึ่ก็เอกลางะพยากรณตอบโดยยืนยันไปข้างเดียวว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดไปเลยกับเจนว่าสุจริตให้ให้ทุกข์หรือให้สุขสุจริตมีผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็จะยืนยันว่าเป็นสุขเป็นสุขสุจริตก็ยืนยันว่าให้ผลเป็นทุกขท์ทีนี้ก็ อนี่เอกังตะพยากรก็วิพัฒชพยากรตอบแยกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ตอบแยกฮะแล้วแต่แล้วแต่ปัญหาที่เขาถามแล้วแต่ปัญหาเขาถามเรื่องว่าสุขกับทุกข์อันไหนจะดีกว่าออันไหนดีกว่ากันสุขกับทุกข์อันไหนดีกว่ากันคร<ช>ับอก็ต้องตอบแยกว่าสุขบางอย่างมันก็ไม่ดี <laughs> สุขบางอย่างมันไม่ดีทุกบางอย่างมันก็ดีดีกว่าสุ ข, ขเพราะว่าเป็นทุกขที่นำไปสู่การดับทุกอันนี้ก็ดีแต่ถ้าสุขบางอย่างนั้นเป็นสุขที่นำไปสู่ความมัวเมานำไปสู่ความชั่วมันก็ไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เราว่าวิพัฒนากรัพยากรตอบแยกเช่นบางคนเห็นว่าเล่งการพนเนเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่เล่งการพนานไป แต่สุขอย่างนี้นําไปสู่ความเป็นทุกข์นาไปสู่ความทุกข์นาไปสู่มีทุกข์เบื้องหน้ามีความทุกข์ดักอยู่ข้างหน้ามากมายอย่างบางคนขยันทํามาหา ก, กินหนักเอาเบาสู้อาบเหงื่อตังน้ํานี่ก็ทุกข์แต่ว่าถ้าทําไปแล้วมันจะความสุขรออยู่ข้างหน้าความสุขรออยู่ข้างหน้าอออันนี้ก็ไปข้าวทำมัชฌมรรคกา ร, ารไปข้าวทำมาาาัชฌมรรคธรรมมาช า, านบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้สุขในภายหน้าอ ธรรมะสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่ให้สุขในภายหน้ารธรรมะสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายหน้าธรรมะสมาทานบางอย่างให้สุขทั้งในปัจจุบันและภายหน้าถ้าใครที่ไปเจออย่างที่สี่ก็รู้สึ ก, กว่าโชคดีมากโชคดีครับส่วนมากก็ยากนะถ้าจัครบเรียกว่าคล้าคล้ากันไปครับเช่นว่าเช่นว่าคนที่เรียนหนังสือด้วยความพอใจ อทำงานที่สุดใจด้วยความพอใจเรียนหนังสือด้วยความพอใจอ่านหนังสือธรรมะด้วยความพอใจมีความสุขในขณะที่ได้อ่านได้ทำแล้วก็เนี่ยนี่คือคือ ม, มีความสุขในปัจจุบันแล้วก็จะมีความสุขต่อไปภายหน้าแน่นอนครับครับันนี้โชคดีครับสุติี <c oughs> เอ่อ อจั บ, จบประเด็นไม่ค่อยถูกซะแล้วครับอาจารย์ครับก็พอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเรื่องรถก็ออกไปที่หนึงเทนี้ก็กลับมาในเรื่องของการตอบปัญหาสุขทุกข์นะครับสุขทุกข์ก็คอมเม้ตัวอย่างเปรียบเทียบว่าการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าว่าตอบเมื่อกี้แล้วบอกว่าตอบโดยไม่ตอบตอบโดยไม่ตอบอก็อันสุดท้ายครับสุดท้ายข้อที่สีคือตอบโดยไม่ตอบก็เช่น มีผู้ไปถามว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงอโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าตอบโดยไม่ตอบอตอบโดยนิ่งหรือไม่ตอบอคการไม่ตอบมันก็เป็นการบอกอยู่ในตัวว่าไม่ตอบะให้ไปหาดูเองใช่ไหมท่านอาจารย์คือปัญหาคือประเด็นที่หนึ่งคือปัญหานั้นไม่สมควรแก่ผู้ถามก็ครับไม่สมควรผู้ถามไม่สมควรจะถามปัญหานั้น ก็เลยไม่ตอบเช่นว่าบางคนไปถามเรื่องชาติหน้าชาติก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเออนะเออคนที่มาถามปัญหาเรื่องนี้กับเราเนี่ยควรจะระลึกชาติดได้บ้างเป็นพื้นฐานเอาไว้อ่แต่ว่านี่ระลึกชาติอะไรไม่ได้เลยมาถามเรื่องชาติหน้าชาติก่อนอะไรก็ ไม่ตอบไม่ส่งตอบแล้วก็จัดเรื่องปฏิจจสมุปาทอะไรเรื่อยไปแต่ว่าไหนๆก็ถามแล้วก็ควรจะได้รู้อะไรบางอย่างอทํานองนั้นนะครับครทีนี้คือว่าถ้าเขาไม่มีความรู้พื้นฐานเอาไว้มันคุยไม่สนุกคุยไม่สนุกเหมือนคนที่ไม่เคยเรียนบาลีเลยเนี่ยแล้วก็มาถามอาจารย์ถึงประโยคบาลีครับ ประโยคนั้นว่ายังไงประโยคน์มีอะไรเขาไม่เคยเรียนบาลีเลยวิพัฒน์ปัจจัยอะไไม่รู้เรื่องเลยมันไม่รู้จะตอบอยังไงอ่ะเหมือนกับมาไปอินเดียกลับมาแล้วมาเล่าว่าอินเดียดีอย่างโ้นดีอย่างนี้ไม่ดีย่า ง, ง้นไม่ดีคนไม่เคยไปก็ไม่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงครับครับ <c oughs> นี่การการตอบปัญหาการแก้ปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าแก้ปัญหาโดยไม่แก้ต่อให้มัน คลี่คายตัวของไปเองพอหมดเวลามันก็ปัญหาก็หมดไปครับอย่างนี้มันถือว่าเป็นเป็นอวิชชาไปเถอเถือถ่อถึงนี้รครับอาจารย์ฮะปัญหาบางอย่างนี่เราเราเฉยก็ได้มันแก้มันไปเองมันหมดทุ่มไปอ่ะคื อ, ค, อคือทิ้งปัญหาเอาไว้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นครับไปทําอย่างอื่นแล้วปัญหามันจะค่อยคลี่ลายไปเองอย่างว่าในครอบครัวเนี่ครับสำคั ญ, ญการทิ้งปัญหานีนสําคัญในครอบครวัว เพราะว่าการแก้ปัญหาโดยโดยไม่ยอมหยุดราวาศอกเลยนี่บางทีมันนําไปสู่ปัญหาครับยุ่งเหยิงมากขึ้นนิ่งแก้เหมือนก็บนิงติดตังเลยนะใช่ครับเดี๋ยวบางทีถ้าเผื่อเขาอารมณ์ไม่ดีอะไรนี่เราก็ก็ก็อ อ, อ, ออกไปนอกบ้านจะบ้างหรือว่าไม่พูดไม่อะไรนิ่งนิ่งเงีย บ, บ, บเงียบแต่โดยไม่แก้ปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยบาทีมันมันจะไปถามก็จะเกิดขึ้นไหมใช่ครับฝ่ายหนึ่งก็ว่ามา ไปหนึ่งก็เงียบพอรู้พิรุธดีเองไม่ใช่เงียบไปเงียบมาพวกยิ่เข้าใจกูถามมึงตั้งนานทําไมมึงไม่พูดสักคำอย่างนั้นอก็ไม่ไม่ใช่นักเลงอ่ะกานนี้เราพูดกันเรื่องการความการคิดแบบแก้ปัญหานะครับแบบแก้ปัญหาคถ้ามันมีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั้น มีหลายคนคิดจะแก้ที่ตัวเองเรืยไปอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเกิ <c oughs> ờ, บางทีปัญหามันเกิดที่คนอื่นมันต้องแก้ที่คนอื่นต้องแก้ที่คนผิดนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ใช่มามัวแก้แต่ตัวเองอยังยางว่าบางทีเขาเขาเขามาทาอะไรที่ข้างบ้านเราอะไรทำรบกวนเรามากมายอะไรเนี่ยนะครับ สมมติว่าจุดไฟเผาะอะไรต่ออะไรอยู่ข้างบ้านมากมายเราก็มานอนคิดอยู่ว่าเออเราทำกรรมอะไรไว้หน้ามันถึงจะมาอยู่ในสภาวะอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้อะยรอย่างนี้เรียกว่ามันมันไ ม, ไม่ไม่แก้ในทางที่ถูกต้องในในต้นต่อของมันหรือว่าคิดแต่ถึงเรื่องกรรมของตัวเองไม่นึกถึงความผิดของผู้อื่นเพราะฉะน้นทางที่ควรจะทําก่อนก็คือว่าลองไปพูดกับเขาดู ว่าถ้าเพื่อไม่ทำได้ไหมหรือว่าถ้าเพื่อไม่เผาขยะห้ควันมันรบกวนคนอื่นอะไรอย่างนี้จะได้ไหมมีวิธีอื่นดีกว่านี้ไหมอ่าครับใช่ครับใช่ครับเมื่อต้องพูดกันให้รู้เรื่องคะอ่ะทำนองนั้นจะมาหมัวนอนนึกอยว่าเออเราทำกรรมอะไรไว้เนะถึงมานอนออถูกเขาลงควันเดือกเขาลงควันเดืออย่างนี้ค่ะ อ, อย่างนี้จะเรียกว่ามอมืองอเท้าอ่ะใช่ครับมันมันไม่แก้ปัญหาในทางที่ถูกต้องนะครับเดียวว่าคนไทยก็ชอบพูดเรื่องกรรมของตัวกรรมของตัว เ, เรือล่มเครื่องบินตกรถชนกันตายเป็นจำนวนมากอะไร <c oughs> ะก็ถามว่าเออคนที่ตายหมูนี่ก็ททำกรรมอะไรร่วมกันมาก <c oughs> อ่อนดีกว่า ทำกรรมร่วมกันมาก็ได้ครับตอบได้ว่าสมมติว่าจะมีใครตอบว่าเออเขาคงทำกรรมร่วมกันมาก็าตอบอย่างนั้นก็ได้แต่มันไม่เป็นการแก้ปัญหาไม่เป็นการแก้ปัญหาคงตอบขอไปทีอ่อะแล้วก็แล้วไปแต่ว่าเรือการเดินเรือก็อยังคงเหมือนเดิมโปก็ยังเหมือนเดิมในในท่าเรือก็คงเหมือนเดิมไม่มีใครแก้ปัญหาอะไมไมแก้ปัญหาครับไปดูปัญหาจริงๆที่ว่า อคนขับรถขับเรือมันเมาหรือว่าเรือมันลุกอะไรไม่ไปดู <พะ S 1> ปัญหานั้นแหละบันทุกคนเกินหรือเปล่าเพราะมันจำรุดหรือเปล่าอะไรใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรเนี่ยนะครับเราต้องไปดูตรงต้นต่อของมันด้วยแล้วถึงค่อยว่ากันเรื่องกรรมที่หลังอเอากรรมปัจจุบันก่อนแล้วก็คิดแบบแก่ปัญหานะครับทีนี้มีปัญหาอยู่ข้อนหนึ่งที่ว่าถ้าความทุกข์เกิดขึ้น อาจจะสู้หรือจะหนีทุกครับบางคนก็อาจจะบอกว่าต้องสู้บางคนก็ตอบว่าต้องหนีครับบางคนก็สู้อย่างเดียวบางคนก็คิดว่าจะหนีอย่างเดียวครับออบางคนก็บอกว่าปัญหาบางอย่างจะต้องสู้ปัญหาบางอย่างจะต้องหนีความทุกข์บางอย่างจะหนีต้องหนีแต่ทีนี้ถ้าขอร้องว่าให้ตอบตามแนวอริยสัจ ถ้าตอบตามแนวอริยสัจนี่มัต้องไม่สู้ไม่หนีน ะ, ะไม่สู้ไม่หนีต้องกําหนดรู้ความทุกข์เป็นปริ ญ, ญญาธรรมเป็นสิ่งที่ท้องกําหนดรู้คือทำความเข้าใจทำความเข้าใจถ้าเผื่อจะไปไปต่อสู้ก็ต้องไปสู้กับเหตุของความทุกข์ความทุกข์มันเป็นผลซะแล้วค ง, งแก้ไม่ได้ ก็การต้องไปแก้ที่เหตุต้องไปแก้ที่เหตุความทุกข์นี้มีเหตุมีอะไรเป็นเด่นเกิดเกิดจากเหตุอะไรแ้ะไปแก้ที่เหตุเหมือนกับว่าเปลวไฟมันร้อนมาถึงในห้องร้อนมาถึงในห้องเราเนี่ยมาเอาน้ามาสาดในห้องมันก็คงไ ม, ไม่ไม่หายก็ต้องไปดูว่ากองไฟอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาน้ำไปสาดกองไฟที่นั่น ไฟดักความร้อนมันก็หายไปอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีนะครับทีนี้อย่างแงล้ที่ในระดับประเทศชาติในตอนนี้ท่านอาจารย์นะครับก็มีการตั้งองค์กรอะไรทะไรต่างๆมีกอกอตมีปอปชอาอป้องกันนะป่าปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในวงการราชการเดิมทีเดียวนะฮะครับก็ไปมองลูดไปก็ดูแลก็แค่ว่า มีเคลื่อนไหขึ้นมาก็ไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะไปแก้ที่ไอ้ไอผลที่มันปรากฏขึ้นแล้วครับแต่ไอ้หน่วยงานไอ้หน่วยงานที่จะไปแก้สาเหตุเนี่ยไม่มีฮะอย่งางว่าปปชจะอายยกตัวอย่างอย่างปปชเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปไดับไฟที่ปลายเหตุแต่ไอต้นต่อที่ไอ้ทาไมคนหนึ่งยังไม่ทุจริต เหการณ์ทไมจะไปทุจริตมันมีสาเหตุมันจะไปต้นต่อตรงโน้นไม่ได้ไปคิดแก้ไม่ได้ไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาแก้ตรงโน้นครับอันนี้มันจะขัดกันกับที่ว่าการคิดแบบอริยสัจสี่นั่นเองครับแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจครับนะครับเอ่อถ้าจะตอบแบบแบบธรรมะนะอาจารย์นะครับหรือว่าตอบแบบธรรมะแบบศาสนาเนี่ย ว่าคอรัปชันนี่ถ้าจะถามว่าคอรัปชันมันเกิดจากอะไรหรือการโกงการทุจริตเกิดจากอะไรมันก็คีเลศสองกองแหละไอโมหะกับโลภะอ่าใช่ครับใช่ครับแน่นอนเลยครับทีนี้ถ้าเผื่อไปไปขัดจัดไปขัดเกลาไปแก้ไปทำอะไรตรงนี้ไปลดไปละอะไรตรงนี้ได้ เรื่องคอร์รัปชันเรื่องออออทุจริตอะไรต่างๆมันก็จะลดน้อยลงหรือหมดไปจะหมดไ ป, หดไป <c oughs> เหมือนเราสู้ยุงนะครับอาจารย์เพแต่ว่าสู้ยุงถ้าเอายาฉีดยุงเท่าไหร่มันก็ไม่หมดครับเท <c oughs> ่าไหร่เพราะว่าแหล่งเกิดยุงมันมีเยอ ะ, <c oughs> อะมันไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าไปทำลายแหล่งเกิดยุงแล้วก็อายาฉีดยุงก็ไม่ต้องมี <c oughs> <c oughs> ผมก็เคยพูดเปรียบว่าการแก้ปัญหาเหมือนกับการแก้แ ก, แ ก, แกยุงาการที่จะเอาไปวิ่งไล่จับยุงทุกตัวเอามาใส่ไว้ในมุ้งเพื่อมาให้มันออกมากัดอาคจับเอาตัวของเราเองเข้าไปอยู่ในมุ้งเสียอันไหนมันจะ ดีก็กันอ๋อฮะอันอันนี้ก็ดีครับเพราะเป็นวิธีที่ไม่ให้ยุงกัดแต่ว่ายุงยังมีอยู่จะยุงยังมีอยู่เจงแต่ว่าไม่ไม่ให้ยุงกัดครับอ่าแล้ว่ายุงกัดไม่ถึงเข้าไปไม่ได้ครับอ่าเราป้องกันตัวได้แต่ทีนี้ถ้าเผื่อจะปรับยุงโดยไม่ให้มียุงเราต้องไปดูที่ต้นตอเราต้องปรับที่ต้นเอตที่จะให้เกิดยุงเจ็ดวันก็หมดแล้วครับยุงเจ็ดวันก็หมด อ่าอันนี้เอ่อน่าคิดนะครับครับอันนี้ก็อยากจะให้ทางที่นี้ต้นเหตุนี่อาจารย์นงางสาต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ที่คนแต่ละคนใช่ไหมท่านอาจารย์ครับต้นเหตุนะครับที่จะเกิดรับโลภะโทสะโมหะนี่ก็อยู่ที่คนแต่ละคนครับที่นี่หน่วยงานที่ตั้งจำภัอันอนี้อาจารยงสว่านเหมืองก็ปลายเหตุทั้งคนที่จะต้องกําจัดก็คือตัวแต่ละคนใช่ไหมท่านอาจารย์ อ่าครับครัจาต้นเหตุที่จะทําให้เกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาคือมีหน่วยงานไหนบ้างไหมที่ที่จะไปลดความโลภความหลงโลภะโมหะของของคนทั้งหลายองคนทั้งหลายของคนทั้งหลายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการนี้หรือในวงการไหนก็ตามใจนะครับถ้าเขาลดความโลภความหลงลงได้ ไอเรื่องทุจริตก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอย่างอย่างที่นพวกเราพูดอยู่เสมอบอกว่าถ้าหากว่าทุกคนมีสินและมีสินหน้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีกรมราชธรรมอะไรทั้งนั้นขนาดนี้ใช่ไหมครับครับครับทีนี้ก็เราต้องสืบต่อไปอีกนะอาจารย์ว่าสินหน้านี้มีอะไรเป็นพื้นฐานแล้วก็คนล่วงสินหน้าเพราะอะไรอย่างนี้ต้องสืบไปเพราะเราพูดแต่เพียงว่าให้คนมีสินหน้าให้คนมีสินหน้านี่ยไม่สําเร็จะครับ ไม่สําเร็จต้องสืบต่อไปว่าทําไมอะไรเป็นพื้นฐานของศีน่าอ๋อแล้วก็คนล่วงศีน่าขาดศีนอยู่เป็นประจํานี่เพราะอะไรครับแล้วก็ไปไปจัดการกับตรงนั้นขอขอถามผมต่อก็คงจะไปดูที่ฮิริโอตป่าใช่จ้ะใช่ครับไอ้นั่นก็คือทํมาแน่จังนะครับคือทําถ้าให้เขามีทำให้มีทำห้าเช่นก่อนครับครับแล้วก็ศีน้าก็จะมีเอง สิน่าจะมีโดยที่ไม่ต้องขอจากพระพระไม่ต้องให้ก็ได้ไม่ต้องขอไม่ต้องให้อ่าไม่ต้องให้ก็ได้ครับถ้าเขามีธรรมนะฮะเพราะว่าธรรมห้าที่ควบอยู่กับศิลนั่นแหะฮะจะจะจะมาดูแลแล้วจะไม่ให้เขาประพฤติล่วงศินครับเพราะว่าเขามีธรรมประจําใจอยู่ครับอ่ามันก็ไม่ไม่ล่วงสินแตนี้อถ้าเราพูดแต่ว่าให้เขามีสินหน้าให้เขามีสินหน้า เขามีไม่ได้เพราะว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาจะไม่แน่าจนะคนไม่มีเมตตากรุณเนี่ยมันสุดเชื่อเสือสาลอนมันรักษาศีลข้อหนึ่งไม่ได้ฮะไม่ได้มีจิตใจโหดร้ายคารุนอยู่อะไรเปลี่ยนสัตว์ก็ได้ฆ่าคนก็ได้อะไรคยังบางคนเคยบางคนเลยตบยุกโอ้ตบยุงเหมือนจะไปฆ่าช้าง บางทีก็ก็เกินไปเหมือนกันนะฮ บ, บเกินไปเหมือนกันทีนี้โดยโดยวิธีนี้ครับคือถ้าเราถ้าเราอยากได้น้ำเนี่ยต้องขุดดินให้ลึกมันถึงได้น้ำขึ้นมาอ า, อาบหรือดื่มถ้าเราอยากจะรู้ความจริงหรือต้องการที่จะให้คนได้ประสบกับความจริงอะไรต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์ปฏิบัติเนี่ต้องคิดให้ลึกเหมือนกัน ถ้าเราต้องการน้ำในดินก็ต้องขุดดินให้ลึกลงไปถ้าเราอยากจะรู้ความจริงในเรื่องไหนก็ต้องคิดให้ลึกหน่อยออถ้าคิดตื้นๆมันไม่เห็นหรอกอ <c oughs> ไม่เห็นความจริงต้องคิดลึกลนะต้องคิดให้ลึกหน่อยอคิดให้ลึกแลแก่กระบวนการค ว, วามคิดแบบอริยสัจสี่เนี่ยมันน่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นแผนงานของ ของชาติที่จะเอามาแก้ปัญหานะ่ะเป็นการแก้ปัญหาเนี่ยเพราะเป็นแนวคิดแบบการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจแล้วก็นีโรดนั้นก็เป็นการดับปัญหาเสร็จแล้วก็เดินตามมักมีองแป8วิธีการวิธีการเดินตามมักมีองแปดนั้นก็เป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหาปฏิบปทาเพื่อจะดับปัญหาก็บจบได้นะฮะแต่จีิในส่วนมากเราเออ คืงไม่รู้ว่าต้นปัญหามันมาที่ไหนมาจะเกิดขึ้นยังไงก็ไปแก้ยังไงที่ว่าเนี่ยไฟไหมกาไปก็ไปดับไปตรงที่ไฟไหมก็คือพอดีอันนี้ด้วยครับอาจารฮะคือไปทิ้งทมเสียเห็นทมเป็นสิ่งไม่สำคัญแือว่ามุ่งมองแต่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการศึกษาปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆที่มันโผล่โมาให้เห็นเนี่ยนะฮะ แต่ว่าต้นต่อของมันจริงๆเนี่ยต้นต่อของปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่คนล่วงทำรรอะ่ะอยู่ที่คนไม่ไม่ ฟ, รฟรืรร้นฟื้รทไม่ตั้งอยู่ในธรรมเหมือ น, นอย่างเรโยโย่ก็ทำ ม, มือตทำแขนมันเกิดแผลพุพองขึ้นมาเราก็รักษาอาการที่แผลพุพองแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุแลมันมาจากอะไระใช่ไหมฮ ะ, ะ, ะใช่ปัญหาอย่างเศรษฐกิจ อะไรอะไรอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เกาเท่าไหร่ก็ไม่หายคันนะครับมันก็ไม่หายคันแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้ตรวจเลือดสักทีไม่ได้ตรวจเลือดไม่รู้ว่าเลือดเป็นอะไรครับหรือว่ามันมีอะไรลึกๆอยู่ภายในอะไรไม่รู้ก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ครับครับวิธีนั่นก็ควรจะมีอวิธีนี้วิธีการคิดแบบวิธีแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจเนี่ยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าตามแนวเหตุผลท่านผู้ใดที่จะเป็นนักสนใจต่อไปฟังรายการนี้อยู่ก็ลองเอาไปเอาไปใช้ดูของพระพุทธเจ้าไปใช้ดูครับคตอนนี้อาจารย์ให้เวลาไปจนถึงสิบนาทีครับตหนึ่งทีใช่ไหมครับครับครับตอนนี้จะเปิดเปิดได้ยังครับคก็อีกสักอีกสักหกนาทีอาจารย์อีกสักหกนาทีแล้วฮะค่อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมข้อนี้ไหมครับ ก็ไม่มีอะไระไม่มีก็จะจ ะ, ะเลื่อนไปอีกข้อหนึ่งฮะครับเลื่อนไปแนวคิดความคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์ข้อห้าครับครับแนวคิดแบบแนวคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์โยนิโส ม, มนสิการโยนิโสมนสิการข้อที่สี่ข้อที่ห้าครับอัธธรรมนะฮะสิดแบบอัธธรรมสัมพันธ <c oughs> ์อันนี้ก็เกี่ยวกับหลักการแล้วก็จุดมุ่งหมาย เกี่ยวกับหลักการและจุดมุ่งหมายคือรมนั้นคือหลักการหลักการอัตตะอัตตานั่นคือความหมายหรือจุดมุ่งหมายฉะนันว่าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสังคม เ, เราก็มีหลักการและวิธีดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นในในพุทธศาสนาเรานี่มี มีกำอีกคมหนึ่งนะครับคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติค่ะจะที่แปล ว, ว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความหมายหนึ่งก็คือปฏิบัติถูกต้องตามหลักการและจุดมุ่งหมายนั่นเองเพิ <c> ่อ <oughs> อันนี้อันนี้ขยายความหน่อยหนึ่งว่า อ, อโดยปกติธรรมดานี่ คนเรานี่มักจะมีจุดมุ่งหมายเกิดคนแทบทุกคนน่ะจะมีจุดมุ่งหมายทีนี้สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะนาไปสู่จุดมุ่งหมายหรือให้สำเร็จจุดมุ่งหมายตามจุดมุ่งหมายได้ก็คือหลักการฮะหลักกา ร, กการถ้าถ้าจุดมุ่งหมายดีแต่หลักการไม่ถูกต้อง อย่างนี้อย่างนี้ทางพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันมีบางบางคนหรือบางลัทธิอาบางกลุ่มเห็นว่าหลักการไม่สาคัญครับจุดมุ่งหมาย <c oughs> เมื่อจุดมุ่งหมายถูกต้องแล้วใช้วิธีการอย่างไรก็ได้ผมว่าอยากจะรวยเนะี่ยท่านท้าว่าจะรวยเนี่ยนะวิธีการจะมาอย่างไงก็ได้อย่างไรกได้ถอยรวยก็ได้จะจะค้าอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้ อันนี้ไม่ถูกต้องเลยนะทำอย่างไรก็ได้ขอให้ไปสู่จุดมุ่งหมายคือความร่ํารวยครับอันนี้ทางพุทธศาสนาไม่ไม่เห็นด้วยครับ <S <S ก็ต้องหลักการหรือวิธีการถูกต้องด้วยอย่างนี้หลายคนที่บอกว่าจุดมุ่งหมายก็ต้องเป็นผู้แทนให้ได้อครับแต่ว่าวิธีการจะเป็นยังไงเมืฉันเอาทุกอย่างอเป็นจะไปเที่ยวค่าคน อก็ เ, เอาจะค อ, อร์รัปชันจะทุจริตในการเลือกตั้งก็เอาอะไรอย่างนี้มนไม่ถูกต้องอันนี้วิธีการไม่ถูกอ่ไม่ถูกต้องคือธรรมะไม่ดีคือว่าผิดหลักธรรมะอ่าใช่ครับหลักการไม่ถูกต้องครับอัฒน์นี่ใช้ได้อ่าอัฒ น, น์ความความมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหมายก็ใช้ได้นะครับครับ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องค่อนข้างจะสําคัญอยู่มากเพราะว่า ในปัจจุบันนี้นะครับอันจัน์ฮะแม้ในศาสนาพุทธของเราเองชาวพุทธเราบางส่วนก็จะทำลายหลักการเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายคก็มีอยู่มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันจะ ต, ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้จะทำนั้นทำนี้ทำโน้นเสร็จแล้ว อ, อถามว่าอันนี้เป็นหลักการของพุทธศาสนาไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ พูดถึงหลักมันเป็นการไปทำลายหลักการแต่ก็ถูกแลบไปได้ทำไปได้จุดมุ่งหมายครับท <c oughs> ีนี้ถ้าผลระยะสั้นมันอาจจะมองเห็นว่าเป็นผลดีแต่ไประยะยาวมันจะเป็นผลเสียมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าไปล้มไปล้มเลิกหลักการของพระพุทธเจ้าของพุธทธศาสนาทําให้คนเข้าใจผิดทําให้คนเสพเสพสิ่งที่ผิดหรือว่าเสพทำผิด แต่ว่าไปได้ลาบสการะไปได้ชื่อเสียงไปได้ความนิยมนับถือไปได้อะไรต่ออะไรมากมายที่มันเป็นกิ่งใบของต้นไม้นะครับอันนี้เป็นพุทธเป็นจริ่งใบของพุทธตรงนี้ที่เราก็พูดกันนะว่าก็บางคนก็ไปไปติดจุดตรงนี้ยคแต่ไปติดอยู่ตรงลาบสกาละเนี่ยครับ ไอ้ราช ก, กาลโดยโด ย, โดยความหมายของมันเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะอาได้มาโดยชอบทำได้มาโดยชอบทำไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจหรือไม่ไปทําลายหลักการของพุทธศาสนานะครับคครครับรับบที่เราพูดกันอยู่ก็ตรงนี้อย่างก็ตอนเนี้อาจารย์ก็คงจะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะสอบเป็นท้าวเข้ามหาวิเลยครับว่าใกล้จะสอบเี่ยอาจารย์กำมนก็คงจะในี้กจะมีหน่วยหนึ่ง จะมีเป็นรถเคลื่อนที่ซึ่งมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับจับนักเรียนซึ่งอยากจะเข้ามาหาวิเลยเนี่ยแต่ว่ามีระบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะทุจริตเนี่ยอันนี้มันก็ถือว่าจุดบง้งไหลสิแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันก็เดิ ร, ร, เริ่มมาตั้งเด็กๆนะอาจารย์ครับเริ่มโกมาตั้งเด็กๆแหละพวกเด็กที่สอบเข้ามาอะไรเนี่ยนะครับอ๋อครับ เพาเทคโนโลยีไปช่วยให้เขาทุจริตครับอ๋อครับก็จะมีเหตุเอมีอะไร อ, อะไรไม่รู้สา ร, สรพัดแหละอ๋ออย่าง น, างนี้อย่างนี้โง่ซะดีกว่าครับครับโง่ซะดีกว่าทอนี้ก็จะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานก็จะมีเครื่องมือสื่อสารรถก็จะวิ่งไปตามสถานที่สอบของนักเรียนนะนีครับเปิดเครื่องดักฟังว่าใครจะทุจริตใช้เครื่องมือสื่อสารยังไงทุจริตมันไปถึงขนาดนั้นเลปัจจุบันเนี่ยอืมครับ น่ากลัวมากเลยครับน่ากลัวมากเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วคนใจไม่ถึงง่ายครับก็คือจุดมุ่งหมายจุดหมายเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือสอบให้ได้อสอบให้ได้แต่วิธีการยังไงก็ไม่รู้วิธีการเละเทะหมดเลยคือล้มล้างหลักการหมดเลยจะน่าเห็นจะเปิดใจได้ครับครผมถ้าเผื่อท่านผู้ฟังสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่พูดกันมาก็ ตามตามมาได้ครับครับคผู้ฟังที่เครารพขขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยถ้าจารย์วสิณได้นําแนวคิดแบบโยนิโสมนัสิการข้อที่4ี่ข้อที่ห้ามาพูดคุยกันข้อที่4ี่ก็คือการคิดแบบแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ ต, ตามแนวอริยสัจก็คื อ, อตัวปัญหาแล้วก็สาวไปถึงสาเหตุของปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมาจากอะไรสมมติว่า ความโกรธในความโกรธทึ่งปรากฏ ต, ตึ่งตังตึง ต, งตังมานี่คืออันนี้คือตัวทุกข์ใช่ไหมใช่าอาจารย์ทีนี้ก็ต้องไปหาว่าก่อนที่จะโกรธมันเกิดจากอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจครับแล้วก็ประการที่สองก็แนวคิดแบบอัถะธรรมพะอัฏฐธรรมสัมพันธ์ ค, คือยึดหลักกา ร, รและจุดหมายแล้วจุดตรงหมาย คื อ, อจุดปุ่งหมายเนี่ยเป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นซึ่งเราต้องการแล้วก็หลักการหรือวิธีการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นจะต้องเป็นอย่างไรครับ อ, อันนี้ท่านอาจารย์ได้เสนอแนวความคิดม า, าไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ถ้าเกิดว่าท่านจะสงสัยจะแสดงความคิดเห็นก็โทรศัพท์ โทกันเข้ามาได้เลยจะถามจะแปลงความคิดเห็นจะเสนอแนวความคิดอะไรก็มาก็เชิญนะคุณปราณีสวัสดีครับปรานีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์วสินอาจารย์ทองขาอาจารย์กมลแล้วก็ผู้อยู่หลังไม้นะคะครัก็วันวันนี้ก็อาจารย์ยังสบายดีอยู่นะคะสบายดีครับสบายดีทุกวันเลยก็วันวันนี้หนูก็ได้มีโอกาสดูทีวีอยู่รายการนองไรคะอาจารย์ พอดีเขาได้นําคุณครูใหญ่นะคะของกองเรียนสองคนตาบอดนะคะมาร่วมใ<ช>นการจอดใจอ่ะใช่ค<ช>่ะ<ใช>อาจารย์ได้ดูค่ะไม่ได้ดูอ่ะโอ้แบบหลวงพ่ทัดใจนะคะอาจารย์ท่านบอกว่าอคนในพุทธศาสนาเราเนี่ยคือมีมีเหมือนอาจารย์เคยพูดค่ะว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนว่านแล้วก็ตอนที่ท่านเกิดปัญหานะคะอาจารย์ท่านก็ใช้พุทธศาสนาในแก้ปัญหาครั้งแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าออ คือในใจของท่านเนี่ยคิดว่าจริงเหรอที่ว่าคนทําดีแล้วได้ดีเนี่ยคือสามีท่านถูกยิงไงคะอาจารย์คแล้วลูกอาจารย์คิดดูดิคะลูกสี่คนคนโตอายุสิบเอดคนเล็กอายุแค่สี่สิบวันถ้าเป็นหนูใส่เ็นบ้าแน่เนยสูกจริง้วตายเปล่าเสียชีวิตอาจารย์<อ>เพราะว่าจ่อยิงเลยเออ่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยท่านท่านก็บอกว่าถ้าเกิดคือปัญหาของท่านก็คือแบบทั้งลูกเล็กด้วยใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง ทีนี้เนี่ยท่านก็พอท่านท่านจะจะไปยิงท่านรู้ว่าค น, คนที่ยิงเป็นใครแต่ว่าทีนี้พอดีท่านมาได้อ่านหนังสือธรรมะนะคอาจารย์ท่านก็เลยแบบระงับความคิดพวกนั้นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยท่านก็ได้เป็นครูใหญ่นะคะอาจารย์ครับเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าผู้ทศศาสนาเนี่ยถ้าใครนําไปใช้เนี่ยคือได้ผลจริงๆนะฮ ะ, ะไม่ไม่ใช่แต่ว่าคือใช้ไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์นะ คืออยู่ออแบบสมัยก่อนนะคะคาสอนของพู้เชี่ยาก็เหมือ น, นอยาไม่ใช่ยาปลอมใช่ค่ะก็หนูหนูดีใจนะคะอาจารย์ว่าทุกวันนี้เนี่ยหนูอยู่ แ, ว, แวดล้อมด้วยพระพุทธประธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะได้รายการของอาจารย์เนี่ยค่ะช่วยช่วยเสริมนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ใหญ่ท่านนี้โรงเรียนสอนคณตบอดนี่ก็แฟนรลยการธรรมรณตสมัยเลยฮะความรู้จักดีออเมื่อคจะออกจากบ้านมาเห็นไม่บ้านก็เปิดดูอยู่แตจะไม่ได้ไม่ได้ดูคุณะเสอีครอาจารย์แทนสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้อยู่หลายนอะาจารย์สมบูรณ์อาจารย์พันิพิศิษฐ์กองขาวกลับสวัสดีท่ออานสามประสิทธิ์ครับสวัสดีครับถึงเรื่องการแก้ปัญหาเลยครับปัญหาที่มันก็อยู่ที่ความสับสนวุ่นวายความไม่เป็นระเบียบมนุษย์เหนือยุ่งอยู่ที่ใจนะครับให้การแก้ความยุ่งยากของมนุษย์ไม่ให้เบี่บยบเบนกันก็ตั้งเป็นกฎเกณฑ์บังคับคุกคือความยอมรับของสังคมว่าผู้ล้ํากฎก็ต้องถูกลงโทษกันนะะ อย่างการอยู่รวมกันให้เป็นระเบียบเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันและโดยอิสระรู้สึจะเป็นไปได้ยากอคือจะเอาความดีบาปบุญคุณโทษมาแนะนําเนี่ยผมกราเรียนถามว่าประเด็จการคืออะไรครับผมประเด็ดการนะฮะตอบเลยนหมฮะครับก็ตอบเลยครับประเด็จการ ก, ารก็มันมีอยู่สองอย่างอ่นะครับคือประเด็จการโดยธรรมกับประเด็จการโดยตัวเอง แต่ถ้าปฏิเด็จการโดยตัวเองก็ตามอารมณ์ของตัวเองก็ไม่ดีแต่ผาดเด็จการโดยธรรมก็ใช้ได้การโดยธรรมคือคนที่มีธรรมะที่ว่าใจน ะ, ะใช่ครับคนที่มีธรรมแล้วก็ปฏิเด็จการลงลงไปตามธรรมอะไรเงนั้นก็ก็ใช้ได้ครับมาดูยังไงที่สถานการที่ห้าท่านก็ในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นสบุรณายาสิทธิราชครัแตอจาก สภาวะที่พระองค์ทรงธรรมครับแล้วพระวินิจฉัยอะไรตอะไรต่างๆที่วินิจฉัยออกมาการกระทําต่างๆที่กระทําออกมาก็ก่อให้เกิดความท้าสุขต่อประสงค์ในก่อนครับอันนี้ถึงแม้ว่าจะปกครองโดยคนคนเดียวครัถึงว่าจะดูว่าเป็นเรด็การแต่ว่ามีธรรมะธิปไตยครับใช่ครับคือคือทำเป็นใหญ่อยู่มีธรรมเป็นใหญ่มีธรรมเป็นใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาถึงเป็นความ พระสุขใช่ไหมฮะก็พระพุทธภาษิต ท, ที่ว่ า, าสับบางรัตถังสุขังเสตเิถ้าเผื่อพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่ประกอบด้วยธรรมราชาเจโหติธรรมมิโกเน่าถ้ า, าพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่ประกอบด้วยธรรมรัษฎรทั้งหมดก็จะเป็นสุขแต่ตรงกันข้ามถ้าเผื่อผู้เป็นใหญ่ไม่ประกอบด้วยธรรมรัษฎ ร, าารทั้งหมดก็จะเป็นทุกข์ค่ะค่ะ ก็มีคุณพัชรินสวัสดีครับโสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแล้วก็อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับว่าอธิสมันกายคืออะไรช่วยยกตัวอย่างให้ฟังด้วยได้ไหมคะอธิสมานักกายอธิษมานักกายเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอารย์ตอบเลยจะ ทำตัวมันแปลว่าผู้ที่มีกายไม่ปรากฏนะครับอาทิตตมานกายผู้ที่มีกายไม่ปรากฏบางทีเราก็ใช้คําว่าโอปปาติกาคือว่ามันเป็นมันมีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเรามองไม่เห็นด้วยตาเราครับเนี่ยพวกนี้เรียกอาทิตมากายหรือว่าโอปปาติกาก็ใช้ได้ครับเธอสิ่งซึ่งมันมีตัวตนอยู่ แต่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาของเราใช่ครับมองไม่เห็นด้วยตาเราเราเรียกกันว่าเราเรียกกันว่าอาทิตย์สมานกายคือผู้ที่มีกายที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ใช่ครับแต่ว่ากายมีอยู่ใช่ครับคุณสำชาิครับคุณสำชาติ คุณฟันชาติสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมขออนุญาตคือคือผมตรวจสอบความคิดของผมว่าว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเรากวรอาจารย์เออด้วยคือความเห็นผมเนี่ยผดเด็จการโดยธรรมเนี่ยไม่น่าจะมีหรือว่าผดเด็จการเพื่อธรรมะยังไม่น่าจะมีคืออคือถ้าอย่างใช้ทศพิราชธรรมนะครับหรือว่าใช้ธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าในการปกครองเนี่ยก็อันนั้นก็ไม่ใช่ผดเด็จการ เพราะว่าการการได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยอาจจะได้มาโดยการเลือกตั้งอาจจะได้ดมาโดยการปฏิวัติรัปะหารอาจจะได้มาโดยโด ย, โดยโกฎมลทิฏฐบาล น, นะครับโดยอะไรต่างๆอย่างนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอํานาจและใช้อํานาจเนี่ยถ้าไปในทางที่ผิดโดยไม่ฟังเสียงประชาชนหรือว่าไม่ทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทําเพือเอ่อประโยชน์ของของผู้ปกครอง เออโดยละลานเอ่อหรือว่าหักหารน้ําใจของคนทั่วไปทําผิดศีลผิดธรรมเนี่ยเออยังไงก็อันนั้นอันนั้นก็คงเรียกว่าเผด็จการนะครับแต่ว่าเผด็จการโดยธรรมเนี่ยถ้าคนมีมีพูดผู้ที่มีธรมรมะจริงๆผมเชื่อว่าก็คงไม่ต้องเผด็จการคือคือไม่ต้องใช้อํานาจละลานใครอย่างนั้นถึงแม้จะต้องต้องลงโทษคนผิดทําอะไรไปโดยผิดเนี่ย ก็คงจะมีพรมวิหารสีอยู่ในใจเป็นเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือคนคนธรมชาติเห็นว่าไม่ควรจะใช้คำปฏิเด็จการใช่ไหมใช่ครั บ, ค, รบคือ ค, คือไม่มีปฏิเด็จการโดยทำค ร, รัครับเพราะว่าถ้ า, ถ, าถ้ามีทศพิธน่าจะทําหรือว่ามีธรรมะแล้วเนี่ยประชาชนย่อมจะเห็นในธรรมะเหล่านั้นผมผมก็ไม่แน่ใจนะครั บ, รบก็เลยไปตรวจสอบความคิดนี้ดู เ, เพราะเพราะถ้าจะมีคนใช้คําว่าปฏิเด็จการเพื่อเพื่อธรรมะเพื่อเพื่ออะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้ว แล้วเอามาใช้ในการที่ให้ได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ถูกต้องผมผมไม่อยากจะให้อ่านตรงนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่ทานองนั้นนะครับทำนองทำนองนั้นด้วยแต่จริงๆโดยผู้มีธรรมถ้าได้เป็นผู้บริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาไม่ต้องเผด็จการเขาจะสามารถคืออยากจะสามารถใช้โทศพพิตาจะทำเนี่ยนะครับที่มีความอ่อนโยนฟังเสียงประชาชนไม่ต้องปิดปากประชาชนประชาชนมีเรื่องอะไรทุกข์กรรนก็สามารถที่จะ ต้องเรียนได้อย่างนั้นซึ่งตรงขันข้ามกับเด็จการเผด็จการนี่ก็คือถึงฉันจะทำถูกต้องแต่ฉันไม่ฟังใครแม้แต่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยผมผมเชื่อว่าท่านก็ให้ให้โอกาสแต่ผู้ที่สงสัยหรือหลงเนี่ยได้ถามได้แสดงความคิดเห็นแต่ท่านท่านแก้นะครับผมไม่ทราบผมก็าใจถูกหรือเปล่ารบกวนอาจารย์ช่ครับขอบคุณคุณสมชายครับ อาจารย์ว่าไงฮะครับก็ก็นึกถึงอย่างนี้นะครับนึกถึงว่าก็ก <c oughs> ็ไม่ทราบว่าจะถูกหรือผิดเหมือนกันนะครับเคือนึกถึงพระราชาธิราชทำมิกราชสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอ่ะนะฮะคือท่านก็เหมือนกับว่าท่านบริหารด้วยด้วยพระองค์เองแล้วก็สามารถจะตัดสินอะไรได้ทุกอย่างด้วยพระองค์เองแต่ล้วท่านมีธรรมเป็นใหญ่ หรอเป็นธรรมมิกราตอะไรนี้มองถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่ใช่ครับก็ดีนะฮะก็ใช่ได้ครับก็ใช่ได้ทีนี้ก็คําว่าพด็จการ์เนี่ยเราอาจจะไปเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นความชั่วช้าอย่างเดียวเราอมะค่ะคืออันนี้เราคอนเซปต์เรามันติดมาไปติดอย่างนั้นคำว่าพฤติการที่ไม่ดีอฮะเออพด็จการ์ก็มีอยู่สองอย่างพฤตจการ์ที่ดีกับพฤตจการ์ที่ไม่ดีน่าจะมองในจุดนั้นแทน คิด่าคิดเพื่อน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณนัดุลค่ะคุณนันดุลสวัสดีครับคุณนันดุลสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านรองขาวจากขบวนและจากตึกนะครับหลายหายการของเราน่ารักตรงที่ว่าอก็ก็ต่อไปเนี่ยไม่รู้จะผิดหรือถูกก่อนนะนะคือคือคืออันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นหัวใจของของการตีความอะไรหลายๆอย่างเลยนะนะแล้วแล้วก็ก่อนก่อนไปถึงผมก็จะเสริมปัญหาของคุณสุชีพนี่นะครับแล้วก็มีของของคุณสมชาติเนี่ยที่บอกว่าประเด็จการเนี่ย